อ่าุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพนะหรือว่าหวังว่าจะมีสิริมงคลนะอำนวยโชคอำนวยเปละอยะให้กับเราจนะคิดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการสวดแบบงมงายนะที่ให้สวดมนต์แปรเพื่อเราจะได้รู้ความหมายและพิจารณาก็จะเกิดปัญญาจะบ่อยครั้งเราสวด น, นะ ซ้ำไปซ้ำมาก็เลยสวดแบบผันผ่านาาทั้งที่ถ้าเราสวดยังมีสติก็อาจจะได้แง่ายคิดอย่างเช่นมีประโยคนึงเนี่ยนะทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนอันนี้หลายคนก็คงสวดผันผ่านานั่นนะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือ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 อันนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเขานอนอยู่ก็จริงแต่ว่าขาอา้อจะปฏิบัติก็ได้ผู้เ จ, จ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดก็ตามแม้ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนถ้าหากว่ามีอกุศลรธรรมใดเกิดขึ้นนะแล้วก็สลัดมันนะไม่เข้าไปยึดติดในอกุศลธรรมหรือไม่ถูกครอบงำด้วยอกุศลธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทําความเพียนเผากิเกล็ดเขานอนอยู่นะ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 อันนี้ก็เป็นการทำด้วยกิเลสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดทุกข์ตามมานะั่นจะไป่าไปโวยวายว่าทาไมท่านทาแล้วเนี่ยถึงเกิดทุกข์ทำไมถึงทำแล้วท่านเกิดเพี้ยนขึ้นมานะก็ไปโทษนะพระทำคำสอนจริงๆคำสอนนั้นดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราปฏิบัติไม่ดีเองนะะนั้นคาว่าทำมานี่นะไม่ใช่ว่า จะปฏิบัติยังไงก็ได้นะมันต้องปฏิบัติให้ดีด้วยนะทำที่ประพฤติดีแล้วยอมนําสุขมาให้ตนถ้าประพฤติไม่ดีเนี่ยก็ทําให้เกิดทุกข์นะอันนี้เมื่อเมื่อเราเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยนะเราก็พยายามนะพยายามที่จ ะ, ะทำความกระจ่ายให้ได้ว่าธรรมะนะแต่และข้อแต่และเรื่องเนี่ยว่ามีจุดมุ่งหมายอะไร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 เสื่อซึมนะถ้าเกิดว่าไปทำสมาธิก็อาจจะทำให้เสื่องซึมหนักขึ้นก็ได้นะผู้จะตัดว่าเปรียบเหมือนกับไยที่กำลังจะมอดแล้วต้องการให้ไฟนี่มันลุกแต่ว่าดันไปเอาย่าที่สดๆโยนเข้าไปมันจะลุกได้ยังไงมันก็มีแต่จะฝ่อลงไปหรือเวลาฟุ้งซ่านเนี่ย นะถ้าเกิดไปทำความเพียรหนักขึ้นมันก็จะฟุ้งกว่าเดิมก็อย่าไปคิดว่าเอ้ทำไมฉันปฏิบัติทำทาไมไม่ได้ผลก็เพราะว่าไฟที่กำลังลุกเนี่ยแล้วเราต้องการจะให้มันให้มันสงบลงเนี่ยนะก็ควรจะโดนโยนหญ้าแห้งลงไปไอ้ญาหญ้าสดลงไปไม่ใช่โยนหรือใส่ญ้าแห้งไฟกำลังไหม้แล้วก็อยากจะให้มันเบาตดันไปโยน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 รู้จุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยก็ยังต้องรู้ถึงจุดแข็งนะหรือว่าข้อจำกัดของธรรมะแต่ละข้อนะนะพ่อชงมีอยู่สองส่วนนะคือวิริยะธรรมวิริยะแล้วก็ปิตินะที่เป็นฝ่ายกระตุน้นนะในยามที่หดหู่ง่วงนอนซึ่งซึมเนี่ยต้องใช้ธรรมะสมข้อนี้แต่ถ้าจิตฟุ้งอยู่แล้วเนี่ยใช้ธรรมะ3ามข้อนี้ยิ่งฟุ้งใหญ่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 นะชื่นชมธรรมชาติรอบๆสระเนะจ้าหมูหมนะูกับเจ้าขาวเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสงบมากเลยนะจริงๆก็จะหาคนที่มีความสงบนะแล้วก็สบายอย่างมาสองตัวนี้ก็ยากนะเพราะว่าหลายคนมาที่นี่แล้วก็ยังหาความสงบไม่เจอนะเพราะว่าอะไรเพราะจิตฟุ้งนะใอ้มาสองตัวนี้ไม่มฟุ้งเลยนะมันอยู่กับปัจจุบันแท้ๆเลย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 แต่ว่าต้องทําให้กิเลสนะมาลดลงด้วยนะกิเลสก็คือโลพาโทสะโมหะหรือว่าตันหามนานทิทธิเพรถ้ากิเลสจะไม่ลดเนี่ยนะนะพอเจอมีพอเจออะไรกระทบนะพอมีงานการที่ต้องทําพอมีความรับผิดชอบก็กลายเป็นว่าวุ่นวุ่ น, ว, นวายขึ้นมาและคนหลายคนเนี่ยพอเจอแบบนี้เข้าก็ยิ่งพยายามที่จะหลีกเรื่องเรื่องงานการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเพราะกลัวว่าจิตจะไม่สงบ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 ตัวกงกูนี่เป็นคําของท่าเจ้าพุทธทาตุนะซึ่งยังไม่ครบดีนะเพราะว่ากิเลสมันมี3นะตัณหาทิฏฐิแล้วก็มานะอย่างที่เราสวดอนัตตลกนัสูตรเนี่ยนะที่บอกว่าเนี่ยนั่นของเรานั่นเป็นเรานะีนั่นคือตัวตวนของเราเนี่ยอันนี้ครบ3นั่นของเรานะก็คือตัณหานะีนั่นเป็นเราก็คือมานะ แล้วก็นั่นตัวตนของเราคือทิฏฐิทิฏฐิที่ว่าคือสักยติทิฏฐินะคือความความคิดหรือความหลงนะว่าไอ้กายและใจเนี่ยเป็นตัวเราเนะเป็นตัวตนนะแต่ถ้าเรียกพูดง่ายๆคือตัวกิเลสเนี่ยอันนี้ถ้ามันมีสามตัวนี้อยู่เนี่ยนะมันก็ยังมีความยึดติดถือมัน่นแล้วพอมีความยึดติดถือมั่นเนี่ยพอแล้วก็ตามที่มันเป็นมันไม่เป็นไปอย่างที่ยึดทิฏฐิ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 ได้ถ้าหากว่าลดละได้เนี่ยนะเวลาเจออะไรที่มันมากระทบนะเจอคําต่อว่าดาทอเจอความสูญเสียพัดพรากเจอความเจ็บความป่วยมันก็จะไม่ทุกข์ใจมากนะกายป่วยนะ่าแต่ใจไม่ป่วยเพราะไ ม, ไม่ได้มีความยึดมันสาคัญหมายว่ากูป่วยหรือมีความยึดติดถือมว่ากายนี้เป็นกูเป็นของกูอ่ะมันป่วยก็ป่วยไปนะ พร้อมเป็นธรรมชาตธรรมชาตินะแต่ว่ามันไม่มีจิตที่รู้สึกป่วยไปด้วยหรือรู้สึกทุกข์ไปด้วยเวลามีใครมาต่อว่าด่าทอก็ไม่รู้สว่ากูนะเจ็บกูปวดนะเพราะว่าไอ้ตัวกูมันเบาบางนะพอตัวกูเบาบางแล้วดา่าด่ายังไงก็ไม่ถูกตัวกูนะเลี้ไม่มีตัวกูได้ซ้ํานี่ด่ายังไงนะก็ไม่เจ็บ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 นะสร้างโอกาสใหนะ้กิเลสมันมีอำนาจนะกำเริบนะก่อกวนจิตใจเรามากขึ้นนอกปฏิบัติเราเราต้องนะต้องอย่าไปพเน็อพ น, พ น, พนพกิเลสมากนะต้องพยายามที่จะเข้าไปเอาตัวเข้าไปเจอความยากลำบากเจอกสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างก็อาศัยสตินี่แหละนะเป็นเครื่องช่วยนะที่ทำให้ ให้ความทุกข์เพราะว่ากิเลสมันกาะ ก, กวนวุ่นวายเนี่ยมันไม่สามารถจะคลองจิตคลองใจได้นะมันโวยวายในรูปของความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองเราก็รู้นะรู้แล้วก็แค่เห็นมันเฉยเฉยนะมันก็ไม่สามารถจะกาะ ก, กวนได้แต่ถ้าไม่เห็นมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เข้ามาครอบงำจิตใจเราแล้วเราก็ทุกข์แล้วเราก็อยู่ในอำนาจของมันแล้วเราก็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 เือที่เราจะสามารถรักษาใจได้แม้ว่ากายมันจะลำบากหรือว่าแม้จะมีสิ่งมากระทบต่างๆมากมายก็ตามคำนิยพวทุทธทนนี้